ก <c oughs> <c oughs> ุ้งว่ะไรกุ<ช>้งเห็นไหมวาไงมันอยู่ที่ความเข้าใจของเรานะคือการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เราปฏิบัติให้มันขึ้ น, น ล, ลูกเดียวถ้าเราปฏิบัติไปทุกวันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึน้นเราก็จะรู้สึกว่าจิตใจเป็นของที่ฝึกบังคับมันได้ สั่งมันได้ตามใจชอบแล้วเราทําแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆหรอกเราฝึกให้ใจมันยอมรับความจริงว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้เราะนั้นเราฝึกเหมือนกันทุกวันนะแต่ผลที่ออกมาไม่เหมือนกันสักวันฝึกแค่เห็นตรงนี้เราะงั้นไม่ต้องตกใจนะมันดีบ้างมันร้ายบ้างแต่อยากชี้เกียรก็แล้วกันแต่ถึงว่าต้องทําทําสมบพเสมอ ถ้าทําไปแล้ววันนี้มันเจริญเ อ, อก็แล้วไปไม่ต้องหลงดีใจหเดี๋ยวก็เสื่อมทําไปแล้วช่วงนี้มันเสื่อมก็ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวมันก็เจริญมันของเสื่อมจิตมันเป็นของเสื่อมนะมันเป็นสังขาร น, นะะเป็นความปรุงแต่งอันหนึ่งยังไงก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันน้องไงอะ่ะแล้วตกใจไหมเสื่อม เออรู้ไปนะรู้ไปเป็นใจมันยอมรับปัญหาใหญ่ของเราคือเราเนี่ยไม่ยอมรับความจริงแต่ละคนเราไม่ค่อยยอมรับความจริงว่าจิตใจนี่ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะร่างกายนี่ยังพอรับได้นะว่าไม่ใช่ตัวเรามันเห็นนะ่ะเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายอย่างงี้แต่จิตใจนะี่มันตายทุกวันมันตายตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นมันเกิดมันตายคิดว่าเราเนี่ยเที่ยงอยู่เงี้ยเรู้ไปด้วยนะ ดีล้รู้ไปจนใจยอมรับความจริงอะ่ะยอมรับความจริงว่าโอ้กระทั่งจิตที่เราเห็นว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดเลยเราคิดว่าตัวเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจิตของเราตอนเกิดใหม่ๆแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังจิตคนเดิมก็คอยรู้สึกอยู่อย่างนี้จิตเมื่อวานกับจิตวันนี้ก็คนเดิมเราคิดว่าเป็นคนเดิมตลอดเจอไปดูไปเรื่อยเห็นมันโอ้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดยีเดียร้าย มันไมรู้ความจริงพึ่งว่งในขึ้นเออแล้วทําอะไรอยู่ทําไมใจมันไปแช่ยอยู่แช่แล้วก็จมหนความคิดนี้แล้วคิดเยอะพยายามรู้สึกตัวนะพยายามเคลื่อนไหวเร็วๆนิดนึงรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าปล่อยให้ลงไปนอนแช่ซึมๆไว้เดี๋ยวเคยตัวห มันคิดแบบหมดเรี่ยวหมดแรงไปเลยมันไม่ใช่คิดอย่างสนุกละว ม, มันคิดแบบต้อแตเ อ, เออนั่นแหละมันเบือนะมันไม่ใช่คิดอย่างสนุกหรอก ไ, อ, อ, ไ, ไอ้ น, นั้นมันเป็นวิธีหนีเราทำไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ทุกเป็นวิธีหนีความทุกข์นะอย่าหนีมันต้องสู้มันนะลูกพระพุทธเจ้าไม่กลัวทุกข์นะ ทุกเนี่ยเป็นความจริงมันมันมันรู้ค่ะว่าแบบกระทบแรงอะไรเือรู้หมดเลยเพือรู้เ้เิ่ยย ม, เ, ออมเลยหนีมันหลบเข้าไปอยู่ข้างใน อ, อย่าหนีนะเดี๋ยวเคยตัวอย่ากลัวทุกทุกเนี่ยเป็นอริยสัจเป็นความจริงของพระอริยะทุกเป็นอริยสัจเป็นความจริงที่ทำให้คนเป็นพระอริยะ ถ้าเมื่เห็นโลกนี้เป็นทุกข์เห็นกายเห็นใจที่เป็นทุกข์ลน้นล้วนนะก็จะเป็นธาริยะได้ใจมันจะวางปล่อยวางไม่ใช่แกล้งหนีต้องสู้นะความทุกข์อยู่ที่ไหนก็เข้าไปรู้มันที่นั้นจริงจริงว่าไม่เอาไม่เอาไว้เป็นประโยชน์ตัวเองเอามันมาเผาคลานเราแผดเผาเราขั้งเดืยวความทุกข์ก็มีประโยชน์เอาไว้เรียนเป็นความจริงข้อแรกเลยท่านบอกทุกข์ควรรู้ ไม่ใช่ทุกควรหนีไม่ใช่ทุกควรละแต่ทุกควรรู้งั้นอย่าหนีทุกนะรู้มันเรื่อยๆน่ใัอยากมีความสุขนั่นน่ะสิใจมันอยากมีความสุขมันเห็นว่าใจนี่คือตัวเรามันก็คือเราอยากมีความสุขอ่ะจิใจมันก็อยากมีความสุขนี่วิธีมีความสุขก็คือเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจนี่อย่างหนึ่งเที่ยวหลีกหนีอารมณ์ที่ไม่พอใจอย่างหนึ่ง าการที่หลบเข้าไปอยู่ข้างในเป็นวิธีหลีกหนีอย่างหนึ่ง ใ, ใ, ใ, ให้รู้นะออกมาอยู่กับโลกข้างนอกอย่างนี้อย่าเข้าไปอยู่ข้างในใจถึ ง, ถ, งถึงนะมันถึงจะพ้นได้ไม่งั้นพึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยจนกว่าแม่จะไม่อยู่พอแม่ไม่อยู่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้อีกเพราะมันเคยชินมันจะเคยชินไมงั้นต้องกล้าหาญนะออกมาอยู่อย่างนี้แหละลววันนึงใจมันจะหลุดออกมา ให้มันท้อแท้ใจใจมันหดหูใจมันหดหูหดหท้อแท้ท้อถอยงานก็ไม่อยากนั่นนั่นมันหนีหมดเลยมันจะหนีโลกนะหนีโลกมากๆไม่ดีหนีโลกไม่มากมาก้วนะกระทั่งจะอยู่กับโลกอย่างคนธรรมดายัางจะไม่ได้คนหนีไปแล้วออกมาไม่ได้ไม่ดีนะไม่ดีต้องสู้นะเข้มแข็งไว้ ข้องคาถาไว้อันนะความทุกข์ทั้งหลายเดี๋ยวมันก็ไปแต่เดี๋ยวนี้อาจจะหลายปีหน่อยแล้ ว, แ, ลวแต่วิบากต้องสู้นะอย่าถอยนะถ้าหนีไปแล้วก็ต้องหนีตลอดชีวิตเลยแต่ถ้าสู้นี้พอมีทางชนะเข้มแข็งเลยหลวงพ่อเชียร์ไม่มีใครพ้นทุกข์ด้วยการยอมแพ้มันหรอก อยากคนทุกข์จริงๆก็เข้าไปเรียนรู้มันมันทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่กายรู้ลงไปที่กายเลยไหนกายนี้ให้มันเป็นสุขได้ไหมมันเป็นไม่ได้นอ น, นีอ่ไง ใ, ใจไม่เป็นกลางท่านบอกให้รู้ทุกข์ให้ละสมุทยัยให้เรารู้ทุกข์อยากให้หายเนี่ยตัวสมุทยตัวตันหาตัวอยากแต่นะมันไม่หายเนี่ยแนหนีเลยนะ คล้ายศัตรูตัวนี้เข้มแข็งมากหนีมันดีกว่าต้องทําแบบสงครามเจรยุทธ์สิหลักของสงครามเจรยุทธ์นะค่าศึกเข้มแข็งเราก็ถอยถอยหมายถึงว่าตอนเนี้กิเลสรุนแรงมากเราก็ทําสมถะพักผนะ่อนหาอารมณ์ที่สบายไปพักผ่อนช่วงไหนค่าศึกอ่อนแอก็เข้าโจมตีแต่ไม่ใช่หลบตลอดนะหลบตลอดไม่มีทางชนะสงครามที่หนีตลอดไม่ได้ เอ Ooh, mm hmm. เออย e ่าบ่อยๆไม่ดีเดี hmm> ๋ยวเคยนี่ไม่เคยมาเลอเคยไหมเคยเรียนไหมเคยฝึกไหมเรียนแบบไหนล่ะ ก็นนปเป็นอุบายอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคนกับเดี๋ยวเราไล่พักส่งคันบ้านเราจะสู้เพื่อในหลวงเนี่ย ดูไปเรื่อยๆดีแล้วดีแล้วโยโยเห็นอย่างนี้ได้ก็สบายแล้วโยเห็นความอยากใช่ไหมความอยากมีหกอันอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากรู้เรื่องหรืออยากสงบสุขความอยากก็มีทางอายตนะหกนั่นเองอยากได้รูปที่ดีเสียงกลิ่นรสรัพถะอยากได้ธรรมารมที่ดี งั้นทําเมไรรู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นในใจเมื่อไรหมดความอยากเวันนั้นก็ถึงธรรมะอ น, นิพานคือวิราคะหมดความอยากอนิพานเป็นวิสังขารหมดการปรุงแต่งถ้ามีความอยากขึ้นมาก็ปรุงแต่งงั้นถ้าโยเห็นถึงความอยากนะั้นดูความอยากไปลูกเดียวเลยตัวนี้เป็นธรรมานุปัสสนาละมีวิธีคิดอย่างนี้ไม่ได้กินแล้ว นู้หลักเคยมาไหมเคยฝึกมาแบบไห น, อ, นอ่ะส่งกันบ้านเลยเผลอบ่อยดีอยาอ่าเพลนานดีร่างใจมันค่อยค่ตื่นแล้วรู้สึกไหมเหมือนเราตื่นมากขึ้นมากขึ้นนะดูบ่อยๆกิเลสเกิดเราก็จะรู้ไวขึ้นเองที่ไม่ได้เจตนาจะรู้ที่นี่มีคนอยู่คนนะมาเรียนเดือนกว่ากว่า เขาอยู่ที่ท่าเรือ เ, เรียนเดือนกว่าๆนะั่นเขาภาวนาได้กล้องแคล่วเข า, เาบอกเขาใช้ความพยายามมากเลยหาทางทำทำํายังไงจะถูกนะทํายังไงจะถูกนะทําอยู่เดือนกว่าแต่เขามาทุกวันนะเรียนทุกวันเลยก็งมอยู่งั้นนะแล้ววันหนึ่งก็เกิด่านอาจารย์สุจินวันนันนะอาจารย์สุจินบอกว่าอย่าไปอยากทํานะ อย่าไปพยายา ม, ม อ, อย่างเงี้ยไม่ต้องขยากนอก็เลิอกอยากเห็นละก็อยากปฏิบัติเขาไม่ได้อยากปฏิบัติไม่ได้คิดว่าทํายังไงจะถูกเวลากิเลสเกิด น, นะมันเห็นเองเลยที่จริงมันเส้นผมบางๆเขานิดเดียวยิ่งเราที่นรนมากยิ่งไม่เจอทําใจสบายๆความรู้สึกอะไรผุดขึ้นมาก็ค่อยรู้เอาง่ายกว่ากันเยอะเลยถ้าเมื่อไหร่พยายามจะทําให้ถูกจะไม่มีทางถูกเลย ก็ไอความอยากจะทําให้ถูกนั้นะนะมันกิเลสในขณะที่พยายามทําอยู่กิเลสก็ยังอยู่ความอยากก็ยังอยู่เมื่อกิเลสยังอยู่สติไม่เกิดหรอกสติกับกิเลสเกิดร่วมกันไม่ได้แล้วนะที่เราก็ไม่ต้องไปอยากปฏิบัติอะไรนะสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นในกายเราก็ค่อยรู้อะไรแปลกปลอมขึ้นในใจเราก็ค่อยรู้เอาเช่นมันมีความสบายใจรู้ว่าสบายอย่างตอนนี้รู้สึกไหมใจสงบส่วนมากใจสงบ ใจนิ่งๆรู้สึกไหมในห้องนี้ใจมันนิ่งๆรู้ว่ามันนิ่งๆเนี่ยมันเริ่มคิดมากวอกแวกแล้วรู้สึกไหมนะส่วนใหญ่ใจก็เริ่มสายๆไปนะให้คอยรู้ทันใจมันแอบไปคิดนะ่นะเนี่ยใจไม่ได้ตั้งใจฟังอย่างตะกี้แล้วรู้สึกไหมส่วนใหญ่แตกกระจายกระจายออกไปแล้นะเนี่ยให้คอยรู้ทันตัวเองไปไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยง่ายๆแล้วนกะุณเสื้อเหลืองเนี่ย อ๋อนี่มาบ่อยๆอสง่งการบ้านก็ดูมคิดอะไรอย่างเงี้ยคยความสึกตัค น, f, คคบ น, นอบคิดเดยอะอะไรอ่งเืมคิดเยอะให้ดูจิตเอาถ้าโลภมากก็ให้ดูกายพวกคิดมากให้ดูใจใจเราคิดทั้งวันแต่ไม่ใช่ดูเรื่องที่คิดนะคนส่วนใหญ่จะไปดูเรื่องที่คิด <S <S <S ไปรู้เรื่องที่คิดตัวสำคัญ ไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดแต่รู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่ถ้าเมื่อไรรู้ว่าจิตกำลังคิดเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันเลยถ้ารู้เรื่องที่คิดเราจะฝันไปเรื่อยๆอ้าวคุณนะคุณนาใช่ไหมอ้าวเป็นไงรู้นะรู้รู้ดีแล้วดูไปเรื่อยๆอย่าคิดเยอะนะพอรู้แล้วยังคิดต่ออีกเอ้ยรู้นี่รู้ถูกไม่ถูกอีกนะดีแล้วทําไป ครับคุณวุฒิคุณวุฒิเดี๋ยวคุณมนกําลังตื่นเต้นและ้ะใกล้เข้ามาคอ่ะอดีแนละ้วดูไปอยากปฏิบัติก็ดีกว่าอยากอย่างอื่นก็รู้ไปเรื่อยๆตัวเนี้ที่ว่ามีตัณหาเพื่อละตัณหาถ้านนทเคยสอนมีตัณหาเพื่อละตัณหาตัณหาตัวนี้หมายถึงอยากปฏิบัติมีทิฏฐิเพื่อละทิฏฐิคือมีความคิดความเห็นว่าเราน่าจะทําได้นะ่ะอะไรเงี้ย อ, อ, อ, อืม ไปรู้ไปนะท่านไม่ชอบให้โยมไปหาโยมชอบไปยุ่งกับท่านท่านมาบ่นใส่หลวงพ่อว่าส่งลูกศิษย์ไปไม่เคยส่งไลยนะไปเองมันก่อนหลวงพ่อเลยหักหลังท่านบ้างมีพระมาะนะถ้าทางสอนยากวพ่อเลยส่งไปท่านมีโกงทักพวกพามามาถึงท่านบอกเลยท่านเป็นพระอริยะแนละ้ว ออท่านตอนนี้จะศึกไปมีเมีย อ, อ้าวทำไมท่าอริยะจะศึกไปมีเมียแล้วเนี่ยจะใช้กรรมจะชดใช้ชะตากรรมดูอริยะถามว่าไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนมาบ้างเราไปหาอาจารย์วันชัยมาอาจารย์วันชัยว่างไงวันชัยบอกดูดูไปก็แล้วกันเอารู้เลยท่านไม่แก้ให้ละเออศึกไปเออไปไหนก็ไป ทิถีมาน้ามากครูบาอาจารย์สู้ไม่ไหวแล้วไงล่ะคนเยอะไหมเมื่อวานแต่วันจันถึงวันศุกร์เนี่ยอย่าไปยุ่งท่านขอแต่เดิมท่านไม่อยากรับสักวันเดียวท น, นี้ท่านผลลูกตือไม่ได้ท่านก็เลยให้สองวันวันหยุดก็มีคนตั้งคำถามอีกแล้วว่า น, นักฆ่าฤกิกได้ไหมฤๅษีโยมช่างคิดนะ ฉันบอกให้สาวอาทิตย์ก็ไลยถามวันนักคาตเลิกจะได้ไหมนักปฏิบัติรุ่นนี้ไม่เหมือนรุ่นก่อนๆ น, นะรุ่นก่อนๆครูบาอาจารย์บอกอยังไงก็คืออย่างนั้นอนะรุ่นนี้ชอบต่อรองแล้วไงล่ะเป็นก้อนๆแล้วทําไงดูไปเรื่อยๆเราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยง มันเกิดจากการที่พยายามทําพราพยายามทําก็เลยเป็นก้อนขึ้นมาหลวงพ่อเป็นก้อนตั้งแต่วันที่กลับจากหลวงพู ด, ดุลวันแรกยังไม่มีนั่งดูไปเรื่อยๆใจมันหลุดออกมาแว้บหนืองนะเข้าไปเกาะใหม่อันนี้เกาะใหม่หาทางดึงใหญ่เลยเลยเป็นก้อนขึ้นมาหาทางปฏิบัตินะ่ะแล้วก็ถัดอย่างนั้นพยายามทำลายก้อนเนี้ยต่อสู้อยู่สามเดือน ไม่ฮะต่อไปก้อนนี้พอเกิดดูก็หายหายไปรู้สึกเก่งแล้วไปหาหลวงปู่ดูอีกบอกท่านว่าดูเป็นแล้วดูจิตได้ละเราท่านฟังท่านก็ไปดูใหม่ไปนั่นมันอาการทั้งหมดเลยมันไม่ใช่จิตมันอาการของจิตไอ้ก้อนกอนนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราปลูกขึ้นมาเองแล้วคนที่กิเลสหนาๆนะก้อนนี้จะใหญ่ขึ้นแล้วก็หนักด้วยถ้ากิเลสหนาปานกลางก็ เหมือนโขกชีนอ่างศิลาอ้กิเลสหนามมากกว่าที่สอนไม่ไหวเนี่ยคล้ายๆโขกต่ำข้าวเคยเจอไหมใหญ่ไอ้ก้อนนี้ใหญ่มากหนักอย่างนั้นสู้ไม่ไหวนะคุณโมอ่ะ ใจถึงถึงเบธธรรมะนะอย่า ก, กลัวครูบาอาจารย์ใจ ถ, ถึงถึงหน่อยคุณปิวเป็นไงถึงปิวตอ ก, อ, อ, อกัดออกแต่ที่มเรียกคุณปิวคุณิวเดินออกมาวามาชี้งว่า้จะอคนันคนนี้จริงๆก็ไม่มีธุระเรื่องปฏิบัติเราไปเยี่ยมเฉยๆแหละคุณปิวเนี่ยที่หลงตามาหามบัว พูดถึงอยู่ในหนังสือ ห, หยดน้ำบนใบบัวฉันเรียกว่าหญิงนักภาวนาชาวกรุง<ม>ถ้นบอกเลยคนนี้ยังไงก็จบเอาเอาใครส่งกันบ้านต่อเอาอาจารย์กออ็อย่าไปเกลียดมันนะแต่ก็อย่าไปรักมันเจ๊เกลียดนะให้มันดูมันไปมันเหมือนน้ำไหลผ่านเรือไป ใจเราเป็นเรือทอดสมอไว้มีสติอยู่เป็นทอดสมอเรือไว้น้ำคือกิเลสไหลผ่านมาข้างๆไม่ทำลายเรือและเรือไม่ขวางน้ำใจก็ไม่ขวางกิเลสแต่ใจก็ไม่ได้ไหลาตามกิเลสทีแล้วนะสีแล้วนักคุณผู้ชายนี่เสื้อสีน้ําเงินเป็นไง ได้ได้เอ อ, อะไรก็ได้ทําไปเถอะแต่ถ้าจะเอาแบบเรียนรัดลัดเลยนะเอย่าเราหายใจอยู่หายใจแล้วจิตเราฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ใช่หายใจเพื่อให้สงบลองเปลี่ยนนิดนึงหายใจแล้วจิตเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบหายใจแล้วจิตมีปิติรู้ว่ามีปิติมีสุขรู้ว่าสุข หายใจแล้วรู้สึกจับอะไรไม่ถูกเลยงงไปหมดแล้วรู้ว่างงหายใจเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองแล้วเราเอาการหายใจมาเป็นการซ้อมมาเป็นเครื่องมือซ้อมที่จะรู้ทันใจตัวเองถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะง่ายเลยสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าเราต้องการหายใจเพื่อให้ใจสงบ น, นี่เป็นสมถะถ้าทาสาเร็จก็คือใจสงบไม่ได้เกิดปัญญาอะไรเป็นที่พักผ่อน ถามว่าดีไหมดีเหมือนกันดีกว่าคนทําความสงบไม่ได้แต่ถ้าต้องการเจริญปัญญาต่อบไปแล้วใจมันไม่ยอมสงบเนี่ยให้รู้ทันจิตไปเลยเพราะจิตตานุปััชนาเนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ได้ทําสมาธิกายานุปััชนาเนี่ยเหมาะกับคนทําสมาธิเพราะงั้นถ้าเราทําสมาธิไม่ได้ใจมันฟุ้งซ่านหายใจไปแล้วมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่าน หายใจแล้วสงบรู้ว่าสงบหายใจแล้วไปเพ่งลมหายใจรู้จักเพ่งลมหายใจยังใจมันเข้าไปเกาะนิ่งๆแช่อยู่กับลมเนะน่ยใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมไม่ไม่ที่มันเหนื่อยมันขัดเนี่ยเพราะไปบังคับมันนะเราไปบังคับมันได้ได้นะฝึกอย่างหลกงพเทียนก็ต้องให้ถูกหลักนะหลวกพ่เทียนไม่ได้สอนให้เพ่งมือ ไม่ได้สอนให้ขยับเพื่อจะสงบหลวงพ่อเทียนไม่ชอบควรทํามสมถะด้วยซ้ํำไปพวกเราไปขยับสายหลวงพ่อเทียนรุ้นหลังๆแล้วไปติดสมถะกันอีกไะไม่ตรงที่ท่านสอนนะถ้าอยากทําอย่างหลวงพ่อเทียนให้ได้อย่างหลวงพ่อเทียนเราก็ขยับมือไปทําจังหวะนะทําจังหวะนี่ก็คล้ายๆการหายใจนั่นเองแต่ทีนี้แทนที่จะรู้ลมหายใจก็ไปรู้การเคลื่อนไหวของมือนะพอมือเคลื่อนไหวไปแล้วใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่น รู้ทันว่าใจเราหนีไปแล้วใจฟุ้งซ่านไปแล้วขยับไปแล้วใจเข้าไปเพ่งมือรู้ว่าเพ่งมือะเหมือนที่รู้ว่าเพ่งลมหายใจนั่นเองขยับไปแล้วจิตใจสบายมีความสุขรู้ว่ามีความสุขขยับแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปไม่เพ่งมืออปฏิบัติเนี่ยนะไม่ใช่เพ่งมือไม่ใช่เพ่งลมหายใจไม่ใช่เพ่งเท้าไม่ใช่เพ่งท้องนักปฏิบัติชอบเพ่งมากเกินไปไม่ดอไม่ยอมเจริญปัญญา งั้นสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านไม่ได้สอนเพ่งนะต้องระมัดระวังให้ดีหลวงพ่อเทียนะไม่ชอบให้ทําสมถะแต่ลูกฝิดติดสมถะเยอะเลยเพราะลูกฝิ์ชอบไปเพ่งใส่มือนะตมาเข้าไปวัดวัดท่านวัดอะไรสนามไหนก่อนเนี้ยเคยเข้าไปหาท่านสองทีไปกราบท่านเฉยๆนะไปดูว่าท่านฝึกยังไงหลวงพ่อเทียนกำลังสอนโยมเต็มศาลาศาลาท่านเป็นไม้นะหยาบยาหท่านสอนท่านขยับ หลงพ่อเทียนขยับนี่หลงพ่อเทียนตื่นลูกศิษย์ขยับนี้มีสองพวกพวกหนึ่งขยับแล้วก็แอบไปคิดเรื่องอื่นนะหรือไม่ก็คิดเรื่องว่าท่านี้แล้วจะมาท่านี้จะมาท่านี้นเรื่องลงไปคิดอีกพวกหนึ่งพวกที่สองเพ่งอยู่ที่มือจิตไหลไปอยู่ในมือจิตไปเพ่งอยู่ที่รูปอันเดียวมันก็คือการเพ่งรูปนั่นเองการเพ่งรูปก็ไปรูปประชานเกิดรูปประชานแล้วเพ่งไปเรื่อยๆไม่ได้ทาให้เกิด สติปัญญาอะไรแต่แตีตราอท่านผมไม่เคยไปทาท่านการเคลื่อนไหวไม่ใช่ไม่ใช่รู้กับเพ่งเนี่ยไม่เหมือนกันเนี่ยสภาวะตรงเนี้ยที่ที่ลูกฝิตนรุ่นหลังตีความไม่ออกนะพอรู้กับเพ่งไม่เหมือนกันแล้วคิดว่าต้องไปเพ่ง การเพ่งมือเนี่ยเขาเรียกภาษาบาลีนะเรียกว่าอารัม์มนูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์มือเป็นอารมณ์พอไปเพ่งใส่มือเพ่งใส่ตัวอารมณ์มันจะเป็นสมถะทันทีเลยแต่การรู้ลักษณะเรียกลัคนูปนิชฌานการเพ่งลักษณะหรือการรู้ลักษณะเนี่ยคือหลักของวิปัสสนาอย่าถ้าจะเห็นเลยไอ้ที่กําลังไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราไหวรูปมันเคลื่อนไหวอยู่เพราะฉะนั้นเราเห็นเนี่ยเห็นอะไรเห็นรูปมันเคลื่อนไหวเท่านั้นเอง ไม่ใช่เห็นมือเคลื่อนไหวนะไม่ใช่จ้องใส่มือนะจ้องใส่มือเป็นสมถะงั้นเนี่ยเป็นเรื่องประหลาดทุกสำนักเลยนะกระทั่งสำนักที่บอกว่าไม่ทำสมถะไม่ชอบสมถะจะเอาแต่วิปัสสนาติดสมถะกันเยอะแยะเลยเพราะอะไรก็ไปเพ่งนะพวกหนึ่งขยับมือก็นะอไปเพ่งมือหลวงพ่อเทียนแต่เดิมหัดพุทโธแล้วทำไม่ได้ใจไม่ยอมรวมท่านมาขยับแล้วท่านรู้สึกตัวท่านตื่น ท่านบอกว่าขยับเนี่ยเพื่อเขย่าธาตุรู้เห็นไหมจริงๆต้องการอะไรต้องการรู้สึกตัวนะไม่ใช่ต้องการรู้มือแต่ต้องการรู้สึกตัวรู้มือกับรู้สึกตัวคนละเรื่องกันเลยนะถ้าไปรู้แต่มือนี่ก็คือเพ่งมือใจจะไหลเข้าไปอยู่ในมือเนี่ยยกมือเยใจจะไหลาตามไปเรื่อยๆนะแต่ถ้ารู้สึกแล้วก็ใจตั้งมั่นอยู่ใจตื่นใจสว่างโปร่งอย่างนี้เห็นรูปมันกําลังเคลื่อนไหว่ใจของเราตั้งมั่น สักว่ารู้สักว่าเห็นใจนี้เบาใจนี้โปร่งใจรู้สึกตัวใจไม่ไหลไปสภาวะสองอันนี้ไม่เหมือนกันคือพอพูดด้วยคำพูดหรือแสดงด้วยท่าทางเนี่ยมันไม่สามารถสื่อสภาวะของจิตได้จิตกวไหลเข้าไปอยู่นี่ถ้าครูบาอาจารย์ท่านมองไม่ออกว่าลูกศิษย์เข้าไปเพ่งมือเนี่ยท่านก็แก้ให้ไม่ได้ลูกศิษย์ก็ไปเพ่งมือกันแท้จริงท่านบอกว่าท่านเขย่าธาตุรู้ ขยับเพื่อจะรู้สึกขยับเพื่อจะรู้สึกไม่ใช่ขยับเพื่อจะเพ่งแล้วถ้าถาว่าเราเคลื่อนไหวนิ้วนะคนจะรู้อย่างไรก็รู้เห็นรูปมันเคลื่อนไหวนะเหมือนกันทั้งตัวเคลื่อนไหวนิ้วเดียวเคลื่อนไหวกระพริบตาขยักหน้ารู้อย่างเดียวกันหมดเลยคือรู้ด้วยใจที่ปลอดโปร่งใจที่เป็นกลางไม่ไม่ใช่เพียงแต่รู้ว่าสิ่งบางสิ่งมันเคลื่อนไหวอยู่ รูปมันเคลื่อนไหว น, นั่นเองเนี่ยถ้ารู้ว่านิ้วเคลื่อนไหวเนี่ยหลงไปในสมมุติบัญญัติแล้วหลวงพ่อเทียนสอนอย่างนี้นะแก่นคําสอนของหลวงพ่อเทียนจริงๆหลวงพ่อเทียนสอนบอกว่าถ้าเมื่อไร่รู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏ <'d> ิ <antenna> บัติขยับนี่ไม่ใช่ต้นทางของการปฏิบัตินะแต่ถ้าเมื่อไหรรู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติงั้นขยับไปขยับไปแล้วจิตหนีไปคิด รู้ว่าจิตหนีไปคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติคือได้อะไรขึ้นมาได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาถ้ารู้เรื่องที่จิตคิดเนี่ยจะหลงจะหลงไปเรื่อย จ, จะคิดไปเรื่อยจะรู้สมมติบัญญัติเรื่องที่จิตคิดเป็นสม ม, มุติบัญญัติแต่ถ้ารู้ว่าจิตกำลังแอบไปคิดเนี่ยรู้อ า, า, า, ารมณ์ p a r a m a t รู้ทันจิตท่านถึงสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตไปคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัตินี่พอรู้ว่าจิตคิดเราก็าจะตื่นขึ้นมารู้สึกตัวตื่นจะรู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็น ท่านสอนต่ออีกว่าการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดหลวงพ่อเทียนะสุดท้ายมาสอนดูจิตวน้นๆหนยนะกายนี้เป็นตัวขยับเพื่อจะให้สังเกตจิตออกเท่านั้นเองขยับไปแล้วจิตหนีไปก็รู้ว่าจิตหนีไปขยับแล้วเข้าไปเพ่งมือรู้ว่าไปเพ่งมือขยับแล้วมีความสุขรู้ว่าสุขขยับแล้วทุกรู้ว่าทุกนะขยับแล้วรู้ทันใจตัวเองได้อย่างตอนนี้หนีผิดคิดแล้วทราบไหม นหัดรู้ทันนะของคุณติดการประครองไว้การควบคุมเสวเองคลายออกนะสิ่งที่ผิดของนักปฏิบัติมีสองอันอันหนึ่งหลงไปคิดอันนึงหลงบังคับตัวเองไว้หลงไปคิดเนี่ยหลงตามใจกิเลสเรียกว่าการสุขาริการุโยกมันจะหลงไปทางตาทางหูคือหลงในหารูปเสียงกลินรถผลสะพ้าตัมมาหงนั่นเองเรียกว่าการสุขาริการุโยค ก, การบังคับกายบังคับใจตัวเองทํากายทําใจให้แข็งแข็งให้มันลบาบาก เรียกว่าอัตตะกิลมัทฐานโยโยะสองงานนี้ไม่เอาเพราะงั้นตราบใดที่ยังไปจ้องจ้องจ้องอยู่จ้องอยูนะ่มันยังติดอยู่ในอัตตะกิลมัทฐานโโยะมัคือการควบคุมตัวเอง น, นั่นเองควบคุมกายควบคุมใจนะี่สุดโต่งมีสองงานโอ้ไม่เคยฝึกก็ฝึก ง, ง่ายถ้าอยากฝึกนะเ อ, เออช่วยถามก็ได้ <laughs> ใล่ะเหลือเป็นคนชวนพ่อมาเหรอเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวหยุดก่อนแล้วไปเดี๋ยวมาถามหลวงพ่อคนแรก